ร่วมเทิดไทโดยวรการปลายฟ้าเป็นชื่อและ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 หมอกสลาย 21 ความเดิมตอนที่แล้วทุกคนเป็น และยังเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปใจหมอกสลายที่ปลายฟ้าตัว เี้ยใจเย็นๆก่อนสิเนี่ยกิงจูจะกีจูหรือกีหัวนะฮะนะ กลับบ้านหรือไงฉันมิยังเป็นเมียน้อยของแกแกก็แก่เอออกจริงตัวรู้ตัวหรือเปล่าว่าพวกอะไร อีเปงแดงอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะขวัญเป็นราวะ อาแว้งลืออยู่ไหนมา นั่นไงคะครูใหญ่กับอ้าวหมอ พอดูเออใช่เอ้ย โอเคจ้ะฝากดูหน้าคาเคเตอร์ด้วยนะคะค่ะพี่หมอไม่ไปก็ได้ต้อง เขามีปัญหาอะไรของเขากันหน้า ผู้ใหญ่เค้าขอให้ฉันหรอก นายเสี้ยอายุราวๆ50 กว่าปีค่ะคุณหมอดูคล้ายๆเตี่ยแต่ จะอยู่ที่นี้ก็ได้ค่ะอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะแต่ไปอยู่กับ คืนไม่ทําเอ้ยสารทรีก็มีหวังเล่นโอ้โหอ่ะ ทำไมต้องรีบเดินมาตามตอนเนี้ยก็มีหมอหมอก็เห็นอยู่แล้วนี่นาว่าไม่มีอะไรเออเหมือน คุณเป็นเอ่อแฟนหมอไอ้ ห่วงเป็นใครแล้วก็จะเออ หาทาง ให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ ถ้าผมอยู่รับรองว่าไม่มีใครมายุ่งกับคุณ ยังดีที่เขากลับไปกล่องดีที่เค้ากลับไปกล่องแล้วไม่ได้พัก อาจจะพังมาถึงพวกเราได้นะ โอนาเซียแนวชื่อนี้มาจากไหนชื่อนี้มาจากไหนได้ยินคนก็<อ> ถ้ารู้ไปถึงเจ้าหน้าที่แล้วมีการจับหรือ แล้วบางทีนะท่านมีขอให้ฉันแน่ใจอะไรสักนิดเท่านั้นรู้ฉันสัญญา ไม่เห็นคุณกิมโจผ่านมาทั้งนี้เลยหรือไงน้อง นั่นเรื่องให้ 25% เลยก็ได้เอ้าสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ขายพวก ไปทางนอกกันดีกว่านั่นมันน้องปอของพวกเฮ้ย ว่าแต่ญี่ปุ่นทำไมปล่อยไอ้พวกเนี้ยนางปอมัน สำนวนข้าเป็นไงวะไอ้เอ็งฟังณคือใส่ดีกว่าเอ็ง เรียกให้มันเสียราคาทำไมเรียกสมัยว่ายาสวรรค์ดีกว่าเพราะมาเอามาๆพี่เองให้ฟรีเลยฉัน ฉันไม่เอาไม่เอายาบ้างเอาหน่อยน่ะแม่จะกันนี่ๆ สงครามพี่คิดกันอย่าม้าค่ะเฮ้ยศรัทธานึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ เออโหเราจะลุงกันให้เอาแล้วกูเพลนดี มันเลิกถามมาแล้วว่ะอุ้ยนึกเลยว่าเราจะเสียท่าพวกมัน เราให้ลองกินเป็นโปรโมชั่นไปก่อนยังไงนี่ๆเอา อึ๊บเี้ยวก็จะได้ความรู้สึกสู้ๆแล้วนี่หว่าจริงว่ะเอ็ง คลายกำแพงใจให้อภัยบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติด ผู้แสดงบีดังต่อวรการเจริญดีนี้อาธรภาธิพัฒนะบินดาเกษตรีเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีระบุญยฤทธิ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนทหารอาสาควบคุมเสียงอาธรภาธิพัฒนะดินดาเกศิริ